ใบอะไรเล็มันมากนะนีอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาดูเรื่องวิปัสนาเพราะนั้นเรื่องของวิปัสนาก็เหมือนกับว่าในส่วนที่เรารู้ก็คือต้องการเอาใบไม้กับมือเดียวไม่ต้องไปวิ่งเก็บใบไม้ที่เราเคยทำมาตลอดแหละ เ น, นั้นเองในความรู้สึกที่มันสบายเกินไปนะมันก็จะมีกลุ่มที่เรามาที่เป็นลากออกมาเป็นความคิดต่างๆความคิดอยากอดนโนใดนี่ตอนแรกมันจะเป็นอีกอันหนึ่งใช่ตอนแรกมันจะเป็นอันนี้ซะก่อนความรู้สึกสบายก็ออกมาเป็นความรู้สึกพอใจใช่ไหมโสมนัสพอใจแล้วก็เลยติดใจอภิชา พอติดใจแล้วก็เพลินนันทิพอเพลินแล้วก็อยากจะได้ความเพลินมากๆขึ้นไปเพาะอยากจะได้เพลินมากขึ้นไปก็นก็ความอยากละีเนียเป็นตันหานนมันก็จะแตกงอกออกรากไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเป็นรากฝอยมันรากแก้วมันก็จะมีอยู่แค่3รากแค่นี้แหละรากสบายรากไม่สบายรากที่มันพอทนได้ คือความสบายคือสบายจนทนไม่ได้เลยสุขเวทนาทุกเวทนาคือไม่สบายจนทนไม่ได้แต่อุทุสมาสุขเวทนานี้สบายพอทนได้ไมีความรู้สึกอยู่3อย่างวันวันหนึ่งที่เราเคลื่อกนกันไปไปกันไวกันมานี่ก็คือต้องการปรับความรู้สึก3มอย่างเนี่ยให้มันให้มันอยู่ได้ท่า น, นเองอแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เจริญวิปัสนา เราก็จะลากของความรู้สึกทั้งสามแล้วค่อยๆแยกมันไปแยกไปละเอียดมากขึ้นไปลากฝอยจากลากแก้วเป็นลากฝอยอตามมุติเคยเห็นเมล็ดพืชไหมว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามันเป็นเมล็ดเมล็ดถั่วก็ดีเมล็ดอะไรทั่วไปที่มันทั่วใหญ่มันจะเป็นสองซี่เสมอใช่ไหมเป็นสองซี่ ถว น, นก็แบ่งกเป็นสองซี่อ่ส่วนใหญ่มเมล็ดต่างๆก็แบ่งไป็สองซี่แต่มเมล็ดข้าวเนี่มันก็เป็นเป็นถ้าหากว่าเป็นซี่เดียวเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเม็ดใช่ไหมเม็ดข้าวถ้าหากว่าเป็นสองซี่กเ็ เ, เรี ย, ววรยว ก, วาากว่า เ, เ, าเววามล็ดเอออันนี้อะมะิดเมล็ดถัว่วเมล็ดงานั่นหมายความว่าในกําเนิดของความรู้สึกอีกทีมันมีแค่สองซี่ สิเกิดสิดับแค่ น, นั้นเองพอมาแตกเป็นกิ่งก้านสาขาพอมาแตกขึ้นมาก็เป็นสามซิกเป็นหน่อขึ้นมาหน่ออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดตามมาแล้ะอันนี้คือความรู้สึกที่เรามีอ่มันแตกรากยังไม่จบนนเนี่ยหลักอีกชุดหนึ่งข้างล่างนี้นะต่อเลยนะพอเป็นตัณหาทั้งสมแล้วก็ก่อกามาฉันทะเพิ่งมาเริ่มตรงนี้กามาฉันทะเป็นตัวแรกของ ของนิวรณใช่ไหมการมัจาธรรมาอันดับแรกพอพอมาตัวเรื่องทุกข์มันข้ามมาใช่ไหมเรื่องทุกข์ไม่ใช่อพระยาบัทนานวรณตัวที่สองมาอยู่ในเรื่องของทุกข์พระยาบัทะแล้วก็ไปพระนิวรณตัวที่สามสี่ห้ามาอยู่ทางไฟอนุตตาทั้งหมดเลยนะ คือทีนมิทะอุทจะฟุ้งซ่านทีมิทะง่วงอุทจะฟุ้งซ่านวิจิกิชาลังเลอันนี้เป็นชุดของนิวรนนิวรนเพชุดต้องอยู่ไกลๆนี่แหลนะออกมาทั้งนึงกามฉันทะ mm hmm. ก็เราเรียกว่าความรู้สึกพอใจมากๆมากๆขึ้นไปจนลราทนไม่ได้ก็แตกก็ออกไปความรู้สึกที่เราไม่พอใจก็ละเอียดลงไปเรื่อยๆนะ มีที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นที่เราต้องมาเวียนว่ายใจเกิดก็เพราะความรู้สึกเหล่านี้แหละเรียกว่าเป็นพพเป็นชาติไปต่างๆแต่ความจริงมันคือสภาวะจิตที่อยู่กับสิ่งเหล่านี้เป็นรากของอกุศลสมอย่างหนะลักเงาทั้งหมดเนี่ยพอเรามีตัวหลักตั้งต้นของมันคือรู้สึกพอใจโสมนาาัสสะไม่พอใจโทมนัสสะอุเบคาเวทนาอนะุเบคา ก็เป็นความรู้สึกเฉยๆนี่แหละเฉยเมยเฉยมองนั้นเองอันนี้อยากจะมองให้เห็นว่าที่ไปที่มาเท่านั้นเองนะที่ไปที่มาของมันพอมาถึงจุดนี้รากอันสุดท้ายคืออาสะวะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ทําลายหลังนี้ได้เทั้งว่าขีนาศพขีนาศพมาจากว่าขีนาแปลวสิ้นศุภมาจากว่าอาสวะขีนาสวะเพราะขีนาศพ เป็นชื่อของพระหลานพระหลานขีนายศกาา็ทำทํามตัวเนี่ยกามาสวะภวาสวะอวิชชาสว ะ, ะแล้วก็อสวะทั้ง3ก็แตกก่แตกหนอ่อแตกเนื้อมาจากเวทนาทั้ง3าเวทนาทั้งสาก็มาจากอานิจจังทุกขังนัตตาอันนี้คือรากมันทั้งหมดอันนะั้ที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นบางทีเรามาพูดถึงในภาคปฏิบัติแล้วเราก็มักจะเหมือนว่าไม่มีอะไร ก็ความรู้สึกตัวอะไรก็รู้สึกตัวไม่เห็นไปไหนทีแต่เราก็ไม่ได้เอาพวกนี้มาพูดม่าเรื่องของปริยัตเหมือนเราจะกินยาแก้ปวดเงี้ยกินยาแก้ปวดก็หายปวดก็โอเคจกแล้วไม่ต้องไปสื่อว่าไอ้ยาแก้ปวดพวนี้นประกอบด้วยเคมีอะไรมัง่งชื่อธาตุชื่ออะไรต่า ง, งประกอบเป็นสิบตัวยี่สิบตัวใช่ไหมกว่าจะเป็นยาเม็ดนั้นเป็นหน้าที่ของหมอหน้าที่ของเภสัชที่เขาจะมาปรุงออกมาให้ ออามาเป็นยาเป็นนั้นแต่หน้าที่ของเราก็คือไม่สบายโรคอะไรก็เป็นยาโรคอันนั้นนะประการสำคัญเออให้หมอสั่งก็ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่เป็นยาปัจจุบันเราไปใช้นิยมยาอะไรสมุนไพรยาฟื้นบ้านยาแพทย์ทางเลือกเพราะฉะนั้นแพทย์ทางเลือกนี่ก็เป็นหมอทางอะไรทางที่เรา หมอแฟนโบราณแฟนโบราณนี่ก็มีมีไซเอฟเฟกเยอะนะจะมีเรื่องคาถามีเรื่องมนเรื่องอะไรปนเข้าไปเยอะแยะเรื่องโบราณนั้นวิธีการกรรมฐานก็มี2ลักษณะถ้าเป็นสมถะภาวนา t h i ก็คือเรื่องของลักษณะเหมือนกับหมอโบราณจะมีเรื่องไสยศาสตร์แฝงเยอะแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาก็เหมือนหลักการของผู้ที่เจ้าโดยตรง เป็นหลักของปริยัติเด่ตรงมันก็มันยากตรงนี้ถ้าเป็นวิปัสนามันจะยากตรงที่จะมารู้เรื่องค่าของตัวสภาวะต่างๆฉะนั้นในภาคปฏิบัติท่านผู้รู้ก็เลยที่ท่านตัดสุดูตามมาทีหลังท่านก็นเลยทําให้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆโดยการมาจับแต่ความสภาวะคือโลกของเราโลกทางโลกของเรามีสามโลกใช่ไหมโลกอะไรบ้างโลกกายแล้วก็โลกจิตแล้วก็โลกอะไร โลกใจหรือโลกวิญญาณนะโลกกายก็มีหมอทางกายรักษาโลกจิตก็มีหมอทางจิตรักษาแต่โลกวิญญาณนี่ใครเป็นคนรักษาอเอาธรรมะรักษาเอาพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ตัวยาที่ยัลกรักษาโลกวิญญาณได้ก็คือใช้ธรรมโอสถพนะพุทธโอสถธรรมโอสถนั้นเวลาเราปฏิบัติเราก็จะไม่สงสัยนะ อนี้ต่อมาถ้าหากว่าเราตัดไฟแต่ต้นลมหมายความมาตามรู้ความรู้สึกทั้งข้างบนทั้งสามตัวก็พอพวกนี้ไม่ต้องไปรู้มันล่กแต่ถ้าหากเราหลุดจากความรู้สึกสามตัวนี้มันจะต้องมาหลุดเป็นพวกนี้แหละส่วนมันจะยาวไปถึงไหนขึ้นอยู่กับว่าเราตามตามทันถึงไหนถ้าเราไม่เจอวิปัสสนาก็ไม่มีโอกาสที่จะตามทันหรือว่ารากนี่มันจะยาวไปถึงไหนนั่นหมายถึงว่าเราจะต้อง รับใช้ความรู้สึกนั้นนั้นความรู้สึกทั้งสามความรู้สึกความรู้สึกสบายไม่สบายแล้วเป็นกลางเนี่ยความรู้สึกอะไนราคาแพงที่สุดความรู้สึกเป็นกลางความรู้สึกอะไรที่เราเจอผัดสะมันแล้วเนี่ยแพงเท่าไหร่เราก็ซื้อเออรู้สึกเที่เราชอบใจใช่ไหม ขอให้เราชอบกันแล้วกันนะราคาเท่าไหร่สู้กันได้นะขอให้ถูกใจนะก็ตกเป็นทาสของเธอตลอดชีวิตก็ยอมขอให้ได้ผัสสะตรงนี้ก็แล้ว <c oughs> คนก็ตกเป็นทาสซึ่งกันและกันก็ผัสสะก็คือเวทนาทั้งสามนี่เองใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาชนะเวทนาเหล่านี้ได้เราจะต้องตกเป็นทาสของกันและกันไหมไม่ต้องนะไม่ต้อ ง, นะองเพราะฉะนั้นก็มันก็หายากแหละนี่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่า แต่ว่าภาษาเนี่มันมีถึงหทางใช่ไหมภาษาทางารูปภาษาทางเสียงพระทางกลิน่นพระทางรสทาง ล, างลิ้นทางสัมผัสพละทางอารมณ์นะฉะนั้นก็ราคาแพงเราไปจ่ายตลาดเงินทองอะไรต่างก็าจะหมดไปกับภาษาเหล่านี้แหละไปเห็นอะไรรูปเสียงกินรสสัมผัสแล้วก็ซื้อซื้อซื้ อ, อทั้งๆทีงเรื่ไม่จําเป็นนะนะก็กลับไปหา ไปใจเงินทองใหม่ก็เพราะเราหลงภาษาแล้วก็ซื้อภาษาเมื่ออาหารร้านนี้ไม่อร่อยไปกินร้านนั้นเออร้านนี้อร่อยแต่มันถูกนะแต่มันไม่อร่อยไปร้านนั้นแพงกว่าอร่อยมากก็ติดดาวใช่ไหมดาวดับดาวหนึ่งสองดาวสี่ดาวห้าดาวขึ้นไปเรื่อยๆแต่ห้าดาวถ้าหนึ่งดาวก็สิบาทถ้าสองดาวก็ยี่บาทถ้าสามดาวขึ้นไปดาวละสิบบาทมาแห่งดาวแล้วร้อยละร้อยขึ้นไปนี่ยดังนั้นอันนี้เราก็เป็นทุกข์เพราะ ตัวเราไปหลงเสน่ของสุขเวธนาและเราขณะเดียวกันอันไหนที่มันไม่ถูกภาษาองเราก็ราคาถูกเท่าไหร่เราก็ไม่ซื้ อ, อนะถูกเท่าไหร่ก็ไม่ซื้อเพราะไม่ถูกภาษาของเราดังนั้นมันก็มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นคือเราจะต้องไปสแสวงหาภาษะสมมุติอาบ้านนี้ถ้าภาษะระดับลมธรรมชาติไปไงราคาถูกไหม ถูอ่าระดับภาษาที่ดีขึ้นมาหน่อยติดพัดลมแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมแล้วผาษาที่ดีขึ้นมานอีกติดอะไรติดแอร์ถ้าแอร์ตัวเดียวไปไงภาษายังไม่ถึงใจสองตัวไม่ถึงใจเสียอตอนนี้มีทั้งหตัวเลยนะตัวละสิบาทสิบาทเพราะนั้นในห้องใครเปิดแอร์ต้องเก็บชุดละอีกนะแพงขึ้นมาเราเลยซื้อผาษาต่อ ว, วันอีกนะอวันละห้บบาทไอ้ตรงเนี้ย เห็นไหมเพราะนั้นเราจึงเรียกภาษาเหล่านี้ว่าเห็นคำว่าราคาไหมอยู่ในมในกลุ่มไหนอาราคานุใสาราคานุใสกามฉันทะมันเออมันตกเป็นตัวหรือเปล่าหรือข้ามมาเมื่อกี้นั่นไงราคานันทิพอเพลินแล้วมันก็ทำให้ ที่ไหนทำให้เราเพลินได้ก็สิที่นั่นก็มีราคาดูหนังเพลินอเสียราคาค่าหนังฟังเพลงเพลินก็เสียราคาค่าฟังอีกก็เกิดมีราคาขึ้นมาสิ่งไหนทําให้เราเพลิดเพลินเจริญใจได้สิ่งนั้นก็เกิดราคาแต่ว่าลากเดิมเขาว่าราคานะกามราคากามราคาเพราะฉนั้นเขาถามว่าราคาเท่าไหร่แต่มันคนละเรื่องนะราคาในความรู้สึกเนี่ยมันก็ d e s i น์นะ แต่พอไปซื้อในตลาดมันว่าอะไรนะราคาว่าพลบงังว่าคอสบงังใช่ไหมทีนี้ทําไมจึงราคาตัวนี้กับราคา ต, ตัวเดียวกันไหมถ้าเป็นพลอยเป็นคอสเป็นราคาทางด้านวัตถุแต่เป็นราคาทางด้านนมามธรรมเป็นอะไรเป็นนามรูป ก, ก็เป็น d e s i เนอร์เป็น Se ็กชั่นดีไซเนอก็ใส่ราคาตรงนั้นก็เป็นน่าจะเห็นว่าอันนี้คือต้นต่อของคำว่าราคา เมื่อได้ราคาถ้าหากตันหาเรามากราคาก็เป็นไงก็แพงขึ้นเรื่อยๆตันหาเราน้อยก็ราคาถูกลงไปมันก็ตัวที่กำหนดราคาคือตัวอยากของเราเองถ้าอยากม า, มากๆก็ราคาแพงถ้าอยากน้อยๆก็ราคาถูกลงไปนะอันนี้คือความรู้สึกของเราจึงเป็นกำหนดตัวความเป็นไปของสังคมของมนุษย์ของวัตฏสงสารทั้งหมด พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ได้ท่องเที่ยวในโลกของความรู้สึกนี้มาทั้งหมดเป็นความรู้สึกทั้งหมดนะแต่เราก็มาบัญญัติว่าเออเป็นโลกมนุษย์โลกเทวดาโลกสวรรค์โล ก, รโลกนรกไปบัญญัติให้เห็นเป็นภาพขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อสอนคนที่ยังไม่มีการศึกษาก็ต้องสมมติอีกมิติหนึ่งที่เป็นลูกประธรรมที่น่ารักน่าปล่อยใจและน่ากลัวน่าสยดสยองให้คนได้กลัว แต่พอคนมีการศึกษามีพัฒนาการมีความรู้มาสมายัยใหม่มากขึ้นก็ยอมรับความจริงได้มากขึ้นก็ไม่จําเป็นต้องไปสร้างมิติทางรูปธรรมนอกตัวเองก็โน้มเข้ามาสู่รูปธรรม ท, ที่อยู่ในตนเองอย่างสมมุติว่าสุขเวทนาเนี่ยมาแบ่งเป็นความรู้สึกชอบทั้ง6ระดับใช่ไหมชอบทางตาเรียกว่าสวรรค์ชั้นต้นสุดคือสวรรค์ชั้นนั่น สวรรด์ชั้นจัตุมหาราชโอเขาพัฒ น, นาสวรสด์ชัน้นจัตุมหาราชมีเทวดาอย่างนั้นใช่ไหมแล้มีเท้าทั้งสรักษาสวรสด์เท้าทศทศเท้าวิรูปเท้าวิรูปหเท้าวิสุวรรณเขากำหนดเป็นมิตินอกนอกโลกขึ้นมาแต่เท้าทั้งสี่คือทําให้ท่าทั้งสีของเราสมเกิดความอริยอร่อยสนุกสนานเขาก็บางนิดหนึ่งที่จะเรียกว่าท่าทั้งสีเรียกว่าเท้า ทั้งสี่เลยท่าดินก็เลยเท้าอะไรเท้าทศตรถท่าน้ำก็เลยว่าเท้าวิรูปักท่าลมก็เลยเท้าวิรูหะพอเท้าวิรูนื้อแน่น้วิรูปักท่าลมแล้วก็ท่าไฟก็เป็นเท้าเวสุวรรณนะหรือเท้ากูเวยนะเห็นไหมก็มากำหนดเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งไปแล้วพอสวรรค์ชั้นที่สองชื่ออะไรนะเป็นชาวพุทธต้องจาชื่อสวรรค์ได้สวรรค์ชั้นที่สองชื่อ ดาวดึงดาวดึงสะดาวดึงทำไมต้องมีสอกลันด้วยแสดงว่ามีมีมนัยยะนะไอ้สอกลันมาจากขวัตตาว่าติงสัตแปลว่าสามสิบส ท, ทุกคนเรามีอาการอยู่เท่าไหร่เกี่ยากาับสาม32สองใช่ไหมบวกเข้าไปอีกหนึ่งอาการคืออาการสาิมอาการทางใจใจเขาจึงเรียกใจว่าเป็น พระอินบ้างสักยะเท้าสหัสนัยบ้างเท้าโกสีบ้างเท้ า, อ, าอินทาทิราชบ้างก็คือใจนั่นเองใจของเราเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเป็นพระอินทจะเป็นเจ้าของสวรรค์อาอชันนี้เรียกว่าหูของเราเนี่สามารถฟังเสียงได้กี่เสียง32สองเสียงตามอาการอาการร่างกายของเราเนี่ยมันบอกอาการอะไรแล้ว เรารู้จากอาการเหล่านั้นเรียกว่ามันแสดงเสียงออกมาใจเป็นผู้รับรู้แล้วก็เอามาสร้างเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะนั้นสวรรค์เช่าดึงในชั้นปรมัตัได้แก่อะไรอ่าสวรรค์ชั้นจารุมาหาลาศชั้นปรมัตัได้แก่อะไรอ่าสวรรค์ชั้นที่สองก็ได้แก่หูอ่า สวรรค์ชั้นที่สองเรียกว่าตาวัดถึสาหูสามารถสามารถฟังได้ถึงสาสองเสียงจะอาการสาสองโดยใจเป็นผู้รับรู้โดยใจเป็นผู้รู้เคลื่อนกสวรรค์นี่สวรรค์ชั้นที่สามชื่ออะไรชั้นต้นเรียกว่าจารุมหารชั้นที่สองเรียกว่าตาวัดถึงสาชั้นที่สามชื่อว่าชั้นชื่ออะไรนะถ้าเป็นชาวพูดไม่รู้จักชื่อสวรรค์นี่สอบตกเลยนะ อ๋อสวัส์ชั้ น, นที่สามตัวชื่อว่าพยายามพญายามาอ่ายา ม, มายามาม า, มามจากคาว่ายามอ่ายามใครเป็นยามชีวิตของเราใครเป็นยามชีวิตในตัวเรานี่มียามสองชุดยามชีวิตกับยามจิตใจ อย่างชีวิตได้แก่ถ้าเราขันมันไม่ได้นะขันแั้นเราก็ตายเลยลมหายใจลมหายใจหายใจทางไหนหายใจทางจมูกเพราะงั้นจมูกมันชอบอะไ ร, รอ่ากินหอมแล้วกินเหนม็นอ่ากินหอมนั่นก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นที่สามเพราะนั้นน้ำหอมขวดเท่าไหร่ก็ซื้อราคาแพงนะไปฝรั่งเศสต้องไปหลืมยมเอามาแล้วก็ นักใจตรงที่ว่าพอไปฝรั่งเศสที่แหนฟักซื้อน้ำหอมขวดนะเ <c oughs> อยังไงเห็นพระซื้อน้ำหอมได้ได้อลยซืน้ำหอมซื้อครีมนั่นครีมเนี่มาก็หลบๆไปแางหลังฮ <c oughs> ในเมืองไทยก็เยอยะ แ, แๆๆะยะนเราไปที่หอฝรั่งเศ <p are> สเพราะว่าสวรรค์มันอยู่ไกลหน่อยถึงฝรั่งเศสสวรรค์ชั้นยาวมาเนี่ยแต่สวรรค์ชั้นที่สี่ชื่ออะไร ชื่อว่าดุสิตมึงไทยเลยก็เอาชื่อส่วนชืดอดุสิตมาเป็นชื่อละอ่าเป็นโรงแรมเป็นพระราชวังดุสิตนะเพราะเป็นที่เลืออาหารเลื่หรูเลิ่อรถมันจะมาจากที่นั่นแหละมาจากตุสิตะแปลว่าลิ้นอ่าแปลว่าลิ้นแต่ในส่วนตัวลิ้นเองเนี่ยแปลว่าคานะแปลว่าชิวหาอ่าชิวหา แต่ว่าพอมาเป็นตัวผัสสะที่เกิดจากลิน้นเราเรียกว่าดุสิดะดุสิตนะวนสวรรค์ชั้นที่สชัส้นดุสิตประเทศไทยก็เลยเป็นเจ้าของสวรรค์ชั้นนี้เราประกาศตัวเองเป็นอะไรนะเป็นครัวโลก <laughs> วันนั้นก็เลยไป เพราะชาวต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยก็เสนีเรื่องอาหารสา ก, กินได้ทุกชองทุกมุมนะแต่ในต่างประเทศเนี่ยอย่างฝรัง่งเศสถ้าไม่ถึงบ่ายสองโมงคุณจะไปเข้าไปหาซื้อของในร้านวมาไม่ได้ร้านปิดน ะ, อะพอเที่ยงก็ปิดนอนหลับพักผ่อนสองชั่วโมงบ่ายสองก็เปิดร้านใหม่นะในราวก็ยังมาใช้เลยนะในลาถึงเวลาก็นอนพักผ่อนแต่ไทยเราสามารถเปิดกินได้ตลอด24ชั่วโมง นะสวรรค์ไม่สวรรค์เปิดไม่ปิดสวรรค์ชั้นที่4ี่เรียกว่าตาดุสิทตคือลิน้นสวรรค์ชั้นที่5้าเชื่ออะไรนิมานนมาน ะ, ะนิมมาระนิมมานารดีสวรรค์ชั้นที่5นิมมานะระดนะีนิมานนิมมา น, านารดีหมายถึงระติแปลว่าความยินดีหอใจที่ นิมานหมายว่าเนรมิตสามารถเนรมิตความยินดีพอใจได้อย่างสูงสุดนะคือกายเพราะนั้นทุกคนเกิดมาก็แสวงหากายมาเป็นที่แอบองิงเป็นสวรรค์ชั้นที่ห้าจะต้องทุกคนจะต้องแสวงหาคู่หาลูกวัวตัวเมียไปตลอดทุกภพ ท, ทุกชาตินะ รักกันชาตินี้มีพอชาติไปเจอกันมาอีกนะถ้าบูร่วมกันต่อไปอีกสวรรค์ชั้นนี้มันต่อไปอีกนะชาติหน้าขอให้เจอกันไอ้สองนี้ใช่ไหมเจอกันชาตินี้ทุกยังไม่พอชั้นหน้าไปเจอกันต่ออีกนะม้อปฏิสวรรค์ชาติที่5้าแล้วก็ถ้ามีการเรียกว่าแย่งสวรรค์ชั้นนี้กันแล้วมีการฆ่ากันตายกินยาตายโดนตึกตายโดนน้าตายเยอะแยะเลยนะเรียกว่าอกหัก ในสวรรค์ชั้นนี้ไม่ได้ถึงเป็นถึงกายทีเดียว น, นิมาราดดีสามารถเนรมิตสุขได้ตามต้องการสวรรค์ชั้นที่6กชื่ออะไรประระนิมิตสวดีประระนิมิตสวดีเป็นผู้มีอำนาจสามารถให้คนอื่นเนรมิตแทนตนเองได้ อ่าใครอ่ะอ<ค>่าใจอ่ะมันเนี่ยมันจะเอาอะไรมันก็สั่งอ่าต้องการรูปที่สวยๆมันก็สั่งตาไปหามาอ่าต้องการรูป เ, เสียงเพราะๆมันก็สั่งหูไปหามาต้องการกลิ่นหอมมันก็สั่งจมูกไปหามาต้องการรสอร่อยก็สั่งลิ้นไปหามาต้องการผัสศัพท์สัมผัสที่ถูกใจก็ต้องให้กายไปหามาเพราะนั้นจิตจึงมีอำนาจเหนืหอผัส ทั้งห า, าสามารถบังคับบัญชาให้เราทำงานทั้งวันก็ได้กะเดียวไม่พอใช้ใช่ไหมต้องทำสองกะได้3ามกะเรืองน้หาเงินให้เยอะกลายเป็นโรกเครียดบังคับโดยใช้ตัณหาทั้งสเป็นเครื่องมื อ, อก็บังคับเราทำงานบังคับเราเรียนหนังสือเรงภาพเราหางานบังคับเร า, าหาเงินให้เยอะแม้จะผิดศีลผิดธรรมช่อชนหลอกลวงอะไรก็ตามนะ่ะ ขอให้หามาให้ได้กันเลยจะขายยาขายอาวุธขายอะไรก็ตามขอให้ได้างา น, นขอให้รวยก็แล้วกันนะเพื่อจะมาตอบสนองอเจ้านายคนนี้เพราะเจ้านายคนนี้ใช้ตันหาเป็นเครื่องมือนะขอเขาเรีพยพญาจิตราชเป็นเป็นเจ้าเมืองที่โหดร้ายมากบังคับขู่เข็นของเราให้ต้องหาตลอดมันก็กลมกลืนเนาะ พอมีเท่านี้แล้วก็อยากได้กำไรเท่านี้ได้เท่านี้กําไรหากําลังอาเปไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราต้องปลูกพันธุ์กับมันจะมีเวลามาปฏิบัติกรรมฐานที่ไหนได้มันมาไม่ได้แล้วเพราะตกเป็นธาตุของตัดหานะฮะอันนั้นเองเล้วจะว่าเห็นว่าความสุขเนี่ยมันจึงมีราคาแพงสุขเวทนาแล้วมันก็มีรากลุดออกไปก็มีพลังอํานาจมากทุนก็รบราคาฟันกันแย่งกันฆ่ากันตายเพื่อจะได้แย่ง สุเกิดนาแย่งพัสดะแย่งตันหากันะโลกนี้ก็จะพังทลายเพราะตันหาใช่ไหมน้ำมันอยู่ลึกไหนขุดขึ้นมาแร่ธาตุอยู่ไกลขึ้ไหนขุดขึ้นมาภูเขาป่าไม้อยู่ที่ไหนก็ทําลายกันมาเพื่อต้องการเอาเงินมาเสื้ออะไรซื้อพัสดะที่เป็นสุเวิดนาให้ได้อย่างใจในที่สุดด้วยโลกนี้นก็จะอยู่ไม่ได้เกิดการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงดิ น, นฟ้าอากาศอ แผ่นดินไว้วภูเขาไฟแล้วเบิดน้ําท่วมเกิสึนามิก็ลุยล้วนมาจากอํานาจของตันหาทั้งหมดมีความรุนแรงไหมความรุนแรงแหลมคมลึกซึ้งมากแล้วอย่างนี้เราจะประกาศสู้รบกับมันได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีดาบที่คมที่สุดสามารถตัดแล้วไม่ไม่งอกไม่ฆ่าแล้วก็ตายแล้วไม่งอกนั่นะอย่างพุทธเจ้าท่านใช้อะไรดาบใช่ไหม ตัดผมดาบขนาดนั mond, ar, s, ite, storm, ้นเป็นดาบกเยสิทิ Roose ์ดาบกเยสิทิ์นี้เรียกว่าวิปัสนาญาณเท่านั้นที่จะตัดรากรูดของคาว่าตัณหาได้นะวิปัสนาญาณจะต้องเราทำให้แหลมคมที่สุดเพื่อนั้นที่เรานั่งทุกวันนั่งรับได้นั่งรับดาววันนี้ฟันได้หเปล่าฆ่าได้วังหรือเปล่าฆ่าศัตรูได้ฮิีตัว เข้ามาแล้วฟันไม่ได้ขาดสักตัวเลยเหมือนนะ่ะ <Okay. S 1> ต, ตัวนี้มาก็ฟันไม่ขาดมันยังไม่มีคมเลยนะรับหน่อยๆรับยังไม่ทันคมเลยเปไปไล่ฟันไม่ได้ไม่ขาดนะต้องรับให้คมกว่านี้นานนี่เขาเะกายสิทธิ์พระพุทธเจ้าท่านตัดชุบเดียวนี่ยผมทั้งสายศรีรษะนี่ไม่ไม่งอกขึ้นอีกเลยอะ่ะตัดได้เหลือกี่นิ้วอเลยๆสองนิ้วเหลืออะไร ให้รูป ก, กับนามเหลือ ก, กายกับใจไม่งอกอีกเลยหมายความว่าตัดความอยากมันเป็นรากแก่รากฝอยอย่างเงี้ยท่านตัดอยากก็เหลือแค่รูป ก, กับนามเอาสติมาอยู่แค่รูป ก, กับนามพอนอกนั้นมันก็ผมก็ไม่งอกอีกเลยหมายความว่าตัณหาไม่งอกไปกว่านี้ภพชาติก็ถูกตัดหมดเลยเพราะฉะนั้นเรามานั่งรับดนะับในขี้เกียจไม่ได้นะ คมจริงเจ้าน่าจะมานั่งรับตั้งแต่เด็กๆ ก, กันเนาะปันนี้มันน่าจะตัดได้เยอะแล้วนะอันนี้ใช้บาดใช้ดาบจนรุ่นหมดแล้ว า, ม, ามันรับไว้นี่ขึ้นสนิมเครือแล้ววาไม่รู้จะมันจะมีจะคมให้หรือเปล่ากันนะน่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะงั้นชาตินี้มันรับไม่คมกว่าชาติหน้ารับไปต่อไปอีกเรืเนะ่อยๆดาบดาบตัว น, นี้เขาเรียกวิปัสนาญาณคมเหมือนดาบนะแล้วถึงตัดได้ไหมายความว่าความคิดความอยากอะไรขึ้นมากระดาษชึบ าหายไปเลยไม่งอกอีกขึ้นมาก็ตัดไปเรื่อยๆในที่สุดก็เหลือแค่สององคุลีเหมือนพระพุทเจ้าเหลือแต่กายกับใจลูกกำน้ำนะแล้วก็มีปัจจัยสี่เราเลี้ยงกายกับใจลูกกำน้ำนะให้อยู่ได้ทำประโยชน์ได้แต่ว่าศา ส, สนาทั่วไปเขาก็ยอมรับไม่ได้นะแบบนี้นะมันไม่มีอะไรสิ้นไร้ไม่ตอบหมดเล ย, ยงั้นกตัด มันไม่เจริญนะพระุทธเจ้าท่านก็บอกว่าณสียาโล ก, กัตถโนยาอยาทานี่ให้โลกไม่มืนจเจริญโลกจเจริญแล้วโลกนี้จะอยู่ไม่ได้มันจะต้องวิบัติอย่างที่เห็นนะใช่ไหม อ, อีกหน้อยมันก็เกิดความปั่นป่วนปเปลี่ยนแปลงอย่างที่เขาทำนายเอาไว้ผ้าที่จะขึ้นเจดวงนั่นแหละหกดวงมาอยู่ที่เราห้าดวงที่เจ็อยู่บนฟ้านั่นนะ่ะมันมีดวงเดียวใน้หก ด, ดวงอยู่ที่เรา ไฟคือรูปไฟคือเสียงไฟคือกลิ่นไฟคือรถไฟคือสัมผัสต่างๆมันก็เปืดอเสมือนไฟที่เผาเราตลอดเวลานะเพราะนั้นสวัสด์หกชั้นทีนี้ก็แค่ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนะแล้วแต่ชั้นก็จะแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องอลังการเวลาเราทำบุญล้วก็ปรารถนาอะไร ปถนาสวรรค์ไม่ได้ปถนานิพานขอให้ได้ไปสวรรค์ก็สวรรค์ก็อยู่กับตัวเองแล้วไปปถนาทำไมแล้วก็ได้อยู่ได้กินได้สนุกสนานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าสวรรค์คือบ่วงมันเป็นของทิพนะบ่วงมันเป็นของมนุษย์ได้แก่กรรมคุณทั้ง5้าใช่ไหมรูปเสียงกีรติสัมผัสบ่วงเป็นของทิพก็คือตัวที่6ที่เกิดจากความชอบความสงบทางด้านจิตใจดังนั้นแล้วก็น่ากลัวนะ ดังนั้นเราก็มาตั้งต้นศึกษาความรู้สึกไปเรื่อยๆความรู้สึกก็มีอยู่แค่สามอย่างเนี่ยไม่ได้มากหรอกเพราะฉนั้นตัดไฟแต่เต้นลมเราก็ต้องรับดาบให้คมเพราะฉะนั้นดาบที่มันจะตั ด, ต ด, ตดลากแก้วกับลากฝอยเนี่ยต่างกันไหมเราต้องการตัดลากแก้วหรือลากฝอย แ, แล้ดาดับคมได้ยังไง <laughs> ไม่เธอไม่ดูดาบข <laughs> องตัวเองว่าอยากจะตัดลากแก้ว <laughs> ลากใหญ่ๆสามลากแค่นั้นน่ะ ดาวตัวเองเล็กๆนี่นะต้องมาสร้างให้มันใหญ่เข้ารับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คมเองไงนะโคมคือความพอใจมาก็ตัดความไม่พอใจมาก็ตัดนะตัดแล้วก็ขาดเออเราจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีความรู้สึกสองอย่างนี้ในโลกนี้มันอยู่ <c oughs> เหนือเราก็ยังใช้ความพอใจไม่พอใจเหมือนเดิมแต่เราอยู่เหนือมันอย่าให้มันใช้เราแต่เราใช้มัน ถ้ามันใช้เราเนี่ยเราตกเป็นธาตุของมันแต่ถ้าเราใช้มันน่ะมันกลายเป็นเครื่องมือใช้สุขเป็นเครื่องมือเพียงเครื่องมือใช้ทุกเป็นเพียงเครื่องมืออย่าใช้สุขใช้ทุกมาเป็นไฟเผาเราแต่สุวรรเนี่เราใช้เป็นเผาเราก็เรียกวลาคขิใช้สุขมาเผาตัวเองเรียกวลาคขิใช้ความทุกมาเผาเราเรียกวโทสักขีไฟคือโทสักใช้อุ่นๆร้อนๆมาเผาตัวเองเรียกว่าโมหขิคือโมหะ ความหลวก็เป็นไฟทั้ง3มกองนะครับไฟนรกไม่เคยดับก็ออย่างนี้แหละคือไฟราคาไฟโทสะไฟมุฮันน ะ, ะทีนี้ว่าถึงกองนี้นะฮะว่าถึงกองเฉพาะทางด้านสายมือสุดนี่แหละนีาลา่ลากต่อมารากการมวันทะโลภะเฉพาะโลภะนี่ก็หนักคนก็ยังมาติดแค่โลภะนี่แหละแล้วก็ดีขึ้นมาหน่อยก็อุปท า, านทั้งสโลภานุใสราค า, านุใสและกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะ เพราะนั้นเอาเฉพาะลากแรกนี่นแหละทีนี้ทําไมต้นตอของสุขเวทนาถึงว่าเป็นอนิจจังเพราะว่าอนิจจังแปลว่าอะไรนะเปลี่ยนแปลงถ้าเรานั่งเปนน็นนานๆเราไม่เปลี่ยนแปลงไปไงมันก็จะเป็นทุกขังใช่ไหมพอเราเปลี่ยนแปลงปับ๊บมันก็จะเป็นสุขเวทนาเขาไม่เปลี่ยนแปลงปับ๊บมันก็เป็นทุกขเวทนาถ้าการที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ก็เพราะมันเป็นอนัตตาถ้ามันเป็นอัตตาเนี่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นโชคดีที่มันมีเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะมันมีตัวตนที่แท้จริงมันสามารถเปลี่ยนรูปเป็นอะไรก็ได้อ่าสุขเวทนาก็เปลี่ยนรูปเป็นทุกขเวทนาทุกเวทนาเป็นอทุกขโมกศก็เปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆแล้วมันก็แตกงอกออกรากไปเรื่อยๆเพราะหลักของอนัตตาเพราะมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันสามารถจะเปลี่ยนรูปร่างไปได้เรื่อยๆ จากมเมล็ดก็มาเป็นต้นจากต้นก็มากิ่งดอกใบเกง่งแง่ไงสาขาจากดอกใบสาขาก็มาเป็นผลเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆจากผลก็มาเป็นมเมล็ดจากมเมล็ดก็มาเป็นต้นใหม่เวียนอยู่อย่างนี้นี่เขาเรียกว่าอนัตตาคือมันไม่มีรูปที่แน่นอนจากเราตั้งแต่เลือดของแม่ไข่ของพ่อบวกกันก็มาเป็นตัวเรานี่แหละแล้วก็เราก็ตัวเราก็เปลี่ยนไปสร้างรูปนามใหม่ สร้างนูมันก็แตกต่อต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเขเป็นอนัตตามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวโดนเพราะเนื่องจากว่ามันเกิดจากความแ ป, แปลปรนเปลี่ยนแปลงนะพอเรารับรู้อันนี้ปับ๊บเราก็เริ่มมาศึกษาโอ้ตัวความเปลี่ยนแปลงมีสองลักษณะหนึ่งเปลี่ยนแปลงที่ไปทางดีสองเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเราก็มาศึกษาว่าเออเราจะเปลี่ยนแปลงในทางดีหรือไม่ดีถ้าเปลี่นแปลงในทางมดีกลายเป็นทุกขังใช่ไหม ถ้าเปลี่ยนแปลงในทางดีมันกลายเป็นอะไรอ่ะอ่าไปดูอ่าอย่างงี้ถ้าเปลี่ยนแปลงในทางดีมันก็จะเป็นตัวนี้นีิจังก็เปลี่ยนมาแปลงเปนเป็นสุขเวทนาก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นศีลอ่าอันนี้เปลี่ยนแปลงดีแต่ว่าหัวมันหรือหัวโจกข้างบนเป็นอะไรเป็นวิชาวิชาก็คือสตินั่นเองอวิชาก็แปลว่าขาดสตินั่นเองนะ นะก็เป็นไตรลักษณ์สายดับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเขียนคําว่าไตรสิกขาเนาะยังเป็นไตรลักษ์อยู่เลยเพราะนั้นต้องเวี่ยนทั้งนั้นหัวขบวนเขา <c oughs> ไม่รู้ว่คนเขียนผิดหรือคนพิมพ์ผิดนะนะสิกขาเพราะฉะนั้นสามความรู้สึกนี้ถ้าเรามีวิชาคือมีมีสติมีสมาธิมีปัญญาอย่างที่ทางนั้นศีล ส, สมาธิปัญญาก็สามารถเปลี่ยนเวทนาทั้งสามมาเป็นตัว ขระบวนการปัญญาละไทีนี้อันนี้คือดาบชนิดของดาบดาบมีกี่มีกี่ส่วนที่เรียกว่าดาบได้หนึ่งด้ามสองคมสมสัน4อะไรก็าสามด้านเนาะด้านที่หนึ่งคือคมได้กแก่ปัญญาด้านที่สองคือสมาธิคือสันความหนักหน่วง แล้วด้านที่หนึ่งคือศีลหรือสติคือตัวที่คนใช้ด้า ม, มันคนใช้ก็ฟันส่วนปัญญาตรงนั้นเราจะมาพัฒนาตั้งแต่แรกเลยคือสุตะมายาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเกิดปัญญาระดับระดับได้ยินได้ฟังละฟังแล้วก็คิดตามก็ปิ่นจินตามมายาปัญญาขี้ตามใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แล้วก็ทําตามไม่ถูกถ้าใช่ก็ทําตามถูกก็เป็นภาวนามยาปัญญา อันนี้ก็คือตัวที่เราจะต้องพัฒนาตัวอันที่ปัญญาเกิดอย่างไรเวทนาอันหนึ่งเรียกว่าเวทนาอัตุขความสุขเวทนาที่ได้กล่าวกังวลวอัตุขคสุขเวทนาได้แก่เวทนาประเภทที่พอทนได้ถ้าทุกเวทนาก็ถ้าไปเอาสติไประดับขบุตรู้ไว้ทุกเวทนาก็ได้สมาธิ อาสติไปกำหนดสุขเวทนาก็ได้ศีลเพราะฉะนั้นศีลที่กำหนดให้เวทนาเบาบางนะเวทนาที่สบายๆก็เกิดศีลขึ้นมาและศีล น, นี้มันจะทําให้เกิดเข้มแข็งได้ก็มีอีศีลสังวรสํารูปกายาตาหูจมูกลิ้นกายใจและสํารวมแล้วให้สํารวปให้ถูกต้องตามหลักที่คําสอนพระเจ้าเรื่องปติโมกสังวรนะสํารูปตามนั้นเราก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาตามลําดับ ดังนั้นเองความรู้สึกสาอย่างนี้มันจะเป็นไตรลักษณ์ก็ต่เมื่อประกอบด้วยอวิชามันจะเป็นไตรสิกขาก็ประกอบด้วยหลักของวิชาคือสติและขาดสติเท่านั้นเองังนั้นทั้งชีวิตเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้ตัวลากง่าของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมหมดก็อย่างเดียวคือจะ ต, ต้องฝึกฝนสติ เพื่อให้เกิดสมาธิเพื่อ ใ, ให้เกิดปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์ฝึกไปเรื่อยๆฝึกแต่เรื่องเดียวนี่แหละเมื่อเกิดมาเราก็จะต้องไม่ต้องไปทุกขหรือไม่ต้องไปเป็นทาสรับใช้ใครละทีนี้พราะเราหมดความอยากที่เราต้องไปรับเป็นทาสรับใช้ต่างๆนานาเพราะความอยากคือตัณหาเท่านั้นเองพราะตัณหาเราจืดจางลงไปไม่ต้องหมดก็ได้แค่จืดจางลงไปกนะ็ความเป็นทาเราก็มีน้อยละ เพราะฉะนั้นเองเราก็เลยเป็นโปรดักชันเป็นผลผลิตของตันหาที่เราจะทำไงให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆก็ต้องมาสร้างตัวนี้แหละสร้างตัวสติคือตัวที่มันจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าของอนิจจงเป็นแปลงค่าของทุกขังหรือเป็นแปลงสุขเวทนา ความจริงอันนี้ช่ทุกข์ขังนาฏานั่นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งแล้วก็ทุกสุขทุกทุกขมรสุขนั่นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ทุกคนมีทีนี้มันจะเปลี่ยนค่าทางสุขทุกขหรืออทุกขมรสุขเนี่ยให้เป็นตัวบวกหรือตัวลบได้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเป็นวิชาหรืออวิชานะเราจึงมาเรียนวิชาสติวิชาสติปัฏฐานนะที่เราสวดมาเมื่อกี้ ีนี่ในสติปัฏฐานสี่เอ้เราเขาดูไม่รู้ว่าที่นี่เขาทำไว้หรือเปล่านี่สายเกิดเกิดตั้งแต่วิชาวิชานะอันนี้รายละเอียดไม่ต้องพูดถึงนะอ่ะาใจสิกขาสีมีปัญญาเดี๋ยวนี้นะก็มาเริ่มต้นกันตรงนี้ความจริงตัวเนี้ยต้องยกตัวนี้ไปแทนมันถึงจะถูกนะไตรไปไว่าสามสิกขามาจากเขาว่าศึกษา นะศึกษาภาษาบาลีเราไปใช้ศีรษะถ้าภาษาสันสกีเราใช้ศึกษานะทีแรกงอกแปลว่าถ้าเราเอาเอาสอเสือออกแล้วเอาพอสัมผอเข้าไปแทนเราเข้าไปแทนเราจะอ่านว่าไงถ้าเอาสอเสือออกเอาพอสัมผอเข้าไปแทนเราจะอ่านว่าไงนะ เป็นก็นั่นดีเอาเสาเสือออกเราเอาพอสัมปอเข้ามาแทนอ่านว่าพิกข า, ขาใกล้ๆคำว่าพิกขู่ไหมพิกขาแปลว่าถ้าเราจอจันเข้าไปใส่เนี่ยมันจะเปลี่ยนสลีเป็นมหานากาศเป็นจักอะไรจักขะมันจะเปลี่ยนสาราเป็นสารอุเป็นจักขู่ ถ้าเป็นภิกษาก็จะเป็นสาาัตว์อภิสิทธิ์ก็เป็นพิกขุกไปว่าผู้ขอแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะตัวศิขาเนี่ยมันมาจากคําว่าอิขะ อ, อ, อ่างสระ อ, อีกก็ไกลอิขะคำหนึง่งแล้วมาจากคําว่าสากะคำหนึง่งสกะไปว่าพ่อกไกลสองตัวเขาก็ออกตัวหนึง่ง มาเปลี่ยนเปลี่ยนกอขอเปลี่ยนกไก่ตัวนะั้นเป็นข้อไข่ใชตามหลักขอุมาสาบาลีเพราะมันมีกอไก่สองตัวเป็นแป่งเป็นข้อไข่ใชเป็น อ, อิขะแต่ถ้าอิขามันบวก ก, ก็สกะก็เป็นสิขาสากะตัวนั้นแปว่าตัวเองเป็นสักยะเนี่ยสกะตัวนัปว่าตัวเองผู้ใดเห็นตัวเองตัวนั้นผู้ผู้นั้นชื่อว่ามีการศึกษ า, อ, าอิขะแปลว่าเห็นไง ถ้าเป็นพิกขุกก็เป็นผู้เห็นภัยใช่ไหมไม่ใช่เป็นผู้ขอนะพิกขุลเป็นผู้เห็นภัยพอสังเผามาจากคําว่าพยะพอพยะมาบวกก็อิขะมันก็เลยยอยักก็เลยหายไปเหลือแต่พิกขาหลือพิกขุลไปว่าผู้เห็นภัยภัยของอะไรภัยของโลรคอดหลงภัยของราคาทูสาวมหะภัยของวตรสงสาร พเพราะฉะนั้นไตรสิกขาก็คือคนที่จะเห็นภัยได้ก็จะต้องศึกษาสามเรื่องนี้ศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเองอันนี้คือหลักที่เรากําลังปฏิบัติกันอยู่ที่เรามานั่งทำนะทาให้เกิดสามตัวนี้เท่านั้นนะถ้าหากว่าทําไปแล้วถ้ามันไม่เกิดสามตัวนี้ถือว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นไม่ถูกไม่ใช่ถูกตามหลักของพุทธศาสนาแล้วก็ทําอยู่นั้นนะเอาศีลเกิดยังไงเวลาทําเจริญสติไปศีลเกิดยังไง ก็คือทําใจให้ปกใจของเราปกติใจที่ปกติมันไม่มีคิดหน้าคิดหลังไม่เคคิดอดีตอนาคตใจที่ปกติมันรู้เฉยๆรู้ศีลถ้าหากว่าเป็นปรามาตัตดเรียกว่าแปลว่าปกติถ้าเป็นสมมุติแปลว่าข้อห้ามข้อคอนงดเว้นขอ้อกติกากฎอะไรก็ว่าไปนี้เขาเรียกโดยสมมุติมาแปลว่ากฎกติกาถ้ามาแปลโดยปรามาตัตดแปลว่าปกติ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปกติกาย คือมันต้อไปทําร้ายใครปกติวาจาไม่ไปพูดให้ร้ายใครปกติจิตก็คือไม่คิดไปทางอาดีตอนาคต อ, าอยู่กับปัจจุบันนี่เรียกว่าปกติแต่นั้นจิตในใจที่เป็นปกติอยู่ปัจจุบันจิตนั้นที่ว่ามีศีลละวันนี้ผิดศีลกันเยอะไหมถ้าคิดออกไปอดีตแล้วคตแล้วผิดศีลแล้วนะผิดศีลนี่มันศีลปรามันนี่ผิดง่ายมากแค่คิดไปอดีตอนาคตก็ผิดแล้ว เพราะนั้นเรากลับมาปฏิบัติเนี่ยตัวที่จะทําให้จิตของเราอยู่พัปัจจุบันได้พอจิตอยู่ปัจจุบันได้ด้วยอํานาจของสติมันก็เปลี่ยนเป็นศีลสติก็เปลี่ยนเป็นศีลทันทีเลยเพราะว่าทําให้จิตอยู่กับปัจจุบันบปัจจุบันก็กลายเป็นตัวจิตที่ปกติคือจิตที่อยู่กับปัจจุบันถ้าจิตไปในอดีตในอดตก็จิตที่ผิดปกติเพราะนักคนทั่วไปจิตไปอยู่อดีตในอดตจึงเป็นจิตที่เปิดผิดปกติทุกข์ก็มันจึงเกิดขึ้นน่ะ ทุกเกิดขึ้นเพราะมันผิดปกตินะทีนี้ถ้าหากว่าเอาสติไปกำหนดความสุขมันกลายเป็นศีลแต่ในร่างกายของเรามันมีทุกข์อยู่ด้วยไม่สบายพอหมดความรู้สึกสบายความไม่สบายมันก็มาเราเอาสติไปตามดูความไม่สบายตามดูความไม่สบายมันมีมากหรือมีน้อยแต่ละวัน มีมากมันก็ทําให้จิตของเราจดจ่อได้นานเพราะจิตจ่อในทุกขได้นานมันก็กลปเป็นสมาธิหรือจิตจะไปอยู่ความสุขเนะ่ยมันอยู่ได้ไม่นานแล้วเพราะเด้ยวยความสุขก็หายไปละแต่อยู่ได้ความทุกข์เนะี่ยอยู่ได้นานจิตก็ไปจดจ่ออยู่กับความทุกข์ที่มันเกิดมันไม่ไปไหนไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตละอยู่กับปัจจุบันจนกระทั่งไว้จิตที่ตั้งมัน่นสมาธิก็เกิดนะเสร็จแล้วตัว สติกลายเป็นปัญญาได้อย่างไรก็หมายถึงว่าจิตนั้นเฉพาะสุขก็ไม่เพราะความสบายก็ไม่มากเกินไปความทุกข์ก็ไม่มากเกินไปปรับสุขปรับทุกข์แต่เพียงพอดีจิตก็อยู่ได้ปกติพอดีอหมายความว่าไม่มากเกินไปเพราะจิตก็เป็นกลางเพราจิตเป็นกลางนี้ก็จิตก็จะเกิดตัวแสงสว่างศีลกับสมาธิเป็นข้วบวกกับข้ลบใช่ศีลเป็นข้บวกสมาธิเป็นข้ว ลบในแล้วเขาบวกเขาลบของศีลสมาธิเขาบอกเขาเกิดแสงสว่างคือปัญญาตัวปัญญาก็เป็นแสงสว่างแพรแสงสว่างตัวนี้เราจะมาเปรียบเทียบเป็นอาวุธก็ได้เปรียบเทียบเป็นไฟก็ได้เปรียบเทียบเป็นน้ําก็ได้ถ้าเปรียบเป็นเป็นน้ําก็มาเพราะมันไปดับไฟถ้าเปรียบเทียบเป็นไฟคือมันเป็นแสงสว่างเปรียบเทียบเป็นอาวุธก็มาเป็นคมอย่างนี้นะแล้วแต่เราจะเปรียบเทียบในแง่ไหนในแง่ที่มันตัด ดังนั้นเองตัวรู้สึกตรงนี้เราจําเป็นต้องเก็บให้มากแต่ตัวที่เรามานั่งสร้างนี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตกลับมาอยู่ปัจจุบันให้ได้ก่อนเท่านั้นเองเพอจิตปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มเก็บเล็กเก็บน้อยได้ละจะเคลื่อนจะไว้จะติงจะเคลื่อนนิดๆนีน่ยก็เริ่มจับได้ละเพราะฉะนั้นเราจึงนั่งสร้างจังววายาวๆเพื่อต้องการจะรมจิตมาอยู่ปัจจุบันนะพอจิตปัจจุบันแล้วเนี่ยตัวทุกข์ในกาย ทั้งหัวจดเ e, <g ye> ท้านเนี่ยมันก็ค่อยเห็นพอเห็นนับก็ค่อยกําหนดรู้ค่อยแก้ไปเรื่อยๆพอสติ if, เริ่มมาแก้ปัจจุบันแก้สุขวิทนาแก้ทุกวทนาแก้อทุกวมสุขวิทยาถ้าเริ่มแก้ทั้งสามตัวเนี่ยม่ให้มันเกินแก้สุขก็ไม่ให้มันเกินศีลก็เกิดแก้ทุกก็ไม่ให้มันเกินสมาธิก็เกิดแก้ตัวเป็นกลางเนี่ยไม่ให้มันเกินไปนทั้งสองอย่าง น, นั้นมันก็เกิดปัญญาแล้วก็ มันก็เกิดเรื่อยๆแหะทีนี้เรากำหนดเป็นละข้อในร่างกายของเรามันมีแค่สาความรู้สึกแต่เพียงว่ามาตั้งสติให้ได้ก่อนพอตั้งสติให้จิตอยู่ปัจจุบันให้เป็นเสียก่อนในการที่จะอยู่ปัจจุบันได้นานก็จะต้องอยู่อย่างเข้าใจไม่ใช่อยู่แบบบังคับถ้าอยู่บังคับอยู่ได้นานแต่ว่าพอหมดอำนาจบังคับจิตมันก็ตะเริดเปิดเปลืองไปที่อื่นละแต่ถ้าอยู่แบบเข้าใจก็คืออยู่ในใน สถานที่ไม่สุกเกินไปสถานที่ไม่ทุกเกินไปสถานที่มันพออยู่ได้ตรงนี้เองเขาเรียกว่าตัวเป็นกลางคือตัวมัชชิมาก็ปรากฏจิตมันก็อยู่ตรงกลางได้นานถ้ามันอยู่ทางซ้ายทางขวาข้างนีข้างช่วมันก็อยู่ได้ไม่นานมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่มั่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานเพราะนั้นจิตที่มันตั้งอยู่ได้นานแสงสว่างที่เกิดโดยสมาธิปัญญาก็ตั้งอยู่ได้นาน ตัวรู้สึกตัวก็ตั้งอยู่ได้นานอันไหนที่มันทําให้สุขเกินไปก็ตัดออกอันไหนทาให้ทุกข์เกินไปก็ตัดออกอันไหนที่มันอยู่ตรงกลางๆแล้วก็จิตมาไว้ตรงนั้นก็เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นตัวสุข ก, ก็เป็นอดีตตัวทุกข์ก็เป็นอนาคตตัวทุกข์เข้ามาสุข ก, ก็เป็นปัจจุบันเห็นไหมสามตัวเข้ามาถึงการเวลาด้วยเราก็มามาเอาจุดเนี้ย นั้นในภาคปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทำถูกต้องแล้วมันถูกตามหลักปริยัติทั้งหมด <c oughs> นะโดยที่ไม่รู้จกักชื่อจากเสียงมันเลยก็ได้แต่ว่าเราจะต้องทำให้มันถูกว่ า, าในแต่ละความรู้สึกที่มันเกิดเนี่ยเรามมไม่ให้ไหลไปตามาความคิดและอารมณ์แต่ให้กลับมาอยู่ปัจจุบันเสมอ ถ้าจิตมาอยู่กับปัจจุบันเสมอสิ่สวิปัญญาสิ่งสวิปัญาก็ปร า, ปราปรกฏพอสิ่งทีปัญาปรากฏปั๊บมันก็ดับทุกข์ของมันเองไปเรื่อยๆดังนั้นเองคนที่เบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจหลักการอนีน้แล้วสามารถใช้เป็นเข้าใจหลักการนี้ใช้เป็นเรื่องเป็นได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมอ๋อทุกข์มันเกิดอย่างนี้ <c oughs> สุขมันเกิดอย่างนี้เราไม่สุขไม่ทุกข์มันเกิดอย่างนี้เห็นแต่ละเวลา นี้เรียกว่าสัมมาทิฐิจะได้สัมมาเข้าใจถูกแล้วลนะ่ะพราะเข้าใจถูกปั๊บตัวมรรคตัวมามัน ก, ก็จะถูกหมดเป็นสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปะคือความเห็นถูกก็ตามมานะเพราะฉะนั้นวันนี้เราว่าในหลักปริยัติเป็นคร่าวๆก่อนเวลาเราไปนั่งปฏิบัติเราจะไม่ได้สงสัยว่าไอ้ถูกหรือผิดแล้วก็สิ่งที่ตัดสินถูกหรือผิดดูที่ว่าเราสุกเกินไปหรือเปล่าทุกเกินไปหรือเปล่าถ้าสุกเกินไปก็ผิดถ้าทุกเกินไปก็ผิด ถ้ามันพออยู่ได้สบายๆแกให้มันพออยู่ได้ก็ถูกล ะ, <c oughs> ะไม่ต้องนึกถึงหลักปริยัตอะไรทั้งนั้นน่ะเอาความรู้สึกที่สัมผัสได้นี่แหละเป็นตัวตัดสินแล้วก็เขาปรับแก้มันเรื่อยๆแล้วก็ทุกแต่พอจะอยู่สบายๆพออยู่ได้มันก็เอาไปบูรณาการการใช้ชีวิตทีเนี้ยพอเราไปใช้ชีวิตจําวันอันไหนมันอร่อยเกินไปแล้วเป็นไงเทน้ําซะหน่อยน อัฒนาในที่มันเผ็ดเกินไปก็น้ำใสเข้าไปจะให้มันอร่อยเกินไปให้มันเผ็ดเกินไปฮะ <c oughs> ไ, มไม่ได้ยกขึ้นอาหารเสร็จเอาน้ําั่วหรือก็ุมจาเม <c oughs> ื่อก่อนท่านอาจารย์ยันจานะโอ้แต่อาหารอร่อยมาท่านทานเห็นน้ำใส่หมดเลยนะละลายลดเปลี่ยนล ด, ลนลดอันนี้เป็นสมถะหรือเป็นวิปัสนาเปลี่ยนลดข้างนอกอะ แต่ไม่ได้เปลี่ยนรถข้างในเลยนะมันก็เป็นสมถะนะเปลี่ยนแต่รถข้างนอกละลายแต่รถข้างนอกแต่รถข้างในไม่ได้ละลายเลยยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะมันก็ไม่เป็นวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยว่ารถข้างนอกมันจะอร่อยเราไม่เลือกมันแต่อย่าให้ใจไปพอใจนั่นเรียกว่าไปละลายรถข้างในละลายความอยากละลายความกระหายอยากข้างในใช่ไรถข้างนอกก็ไปทำธรรมชาติรถข้างนอกเป็นรถโดยธรรมอร่อยก็เป็นโดยธรรมทาให้ อาการที่ลิ้นมันมีรถนี่เพื่ออะไรเพื่อให้ชีวิตมันรอดถ้าหากว่าลิ้นไม่ทําหน้าที่เนชีวิตนี้มันไม่รอดใช่ไหมเพราะไม่มีตัวประสานไม่มีตัวเชื่อมรถที่เขาให้มาเพื่อเป็นตัวประสานเชื่อมให้ชีวิตธาตุสีของภายนอกและภายในเชื่อมกระติดเท่านั้นเองนะแต่ถ้าหากว่าจะว่าไปตัวเชื่อมนี่เขาเรียกว่ากาวใช่อหมอเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบการหาว่าเป็นยางเหนียวเป็นกาวเชื่อม รูปให้ติดเชื่องรถให้ติดแต่ว่ามันติดมากเกินไปก็เลยกลายเป็นทหารการเป็นอุปท า, านใลยทีนี้นไปยึดแล้วโอ้กูมาได้รถอันนี้กูไม่อร่อยกูต้องไปซื้อรถที่มันถูกปากการเป็นอุปท า, านแทนที่เราจะพิจารณาว่าเออมันเป็นเชื่อมท่าสี่ดิน้ําโรงไฟภายนอกเข้ามาต่อจากดิน้ําโลงไฟภายในให้มันติดเท่านั้ น, นาเดีเ๋ยวไปหลงว่ามันจะเป็นรถของเราแต่มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอันนี้เป็นการระลึกแบบนี้เขาเรียกว่าพิจานาะเพื่อละลายรถ ในใจคือรถแห่งตัณหาในออกมันก็เกิดเป็นปัญญานะเราเพอเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเพราะนั้นเราเสพรถอะไรก็เสพตามหน้าที่เพื่อให้มีชีวิตอยู่ตามรับใช้วิบากกรรมทั้งหมดไปเท่านั้นเองนะรับใช้อยู่เพื่อรับใช้วิบากกรรมไม่ให้มันหนักหนาเกินไปพอเรามาเจริญสติปัญญาวิบากกรรมที่หนักๆนักก็กลายเป็นเบานะพอเรารู้วิธีเหมือนกับเราเป็นหนี้มากมากเนี่ย พอาหาเงินได้เยอะๆหนี้เยอะๆเราก็ไม่กลัวใช่ไห ม, มก็สามารถใช้ดี้ได้หมดได้ไหวเหมือนกันเรามีหนี้กรรมหนี้เวรมาอดีตเยอะแยะมากมายพอมาจเจริญวิปัสนาเหมือนก็ได้ทํางานที่ราคาตอบแทนสูงอ่ะมีได้บุญมากเพราะวิปัสนาคือยอดของบุญล่ะเราก็มาปฏิบัติวิปัสนามันก็ไปชําระหนี้แห่งเวรแห่งกรรมได้แทนที่เราจะทุกข์มากมายมาหาศาลทุกข์เราก็น้อยลงน้อยลงลงเหมือนกับเราเป็นหนี้น้อยลงนั่นเองนะเม็กเซนไหมเม็กเซนไม่ใช่ ไม่ได้ไปนั่นน่ะคือมันสมเหตุสมผลน่ะนะเาเมื่อก่อนเนี่ยทุ ก, กันไม่มีที่ไว้ที่วางเลยหลังจากมาปฏิบัติวิ่ศาสนาันรู้จักบรรเทาว่าบางทุกข์ลงหมายความว่านี่กรรมนี่เวรของเรามันเยังเยีบมากนะขนาดพระโอคุลิบานใช่ไหม ขาคนกันมาเท่าไหร่พอมาเจอวิปัสนาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนั่นน่ะชำระนิกรรมนิเวศได้หมดชาติเดียวเลยแทนที่จะไปสูญบาปกรรมกันไม่รู้จบ ก, กันเมื่อไหร่ค่าคนมาขนาดนั้นทำไมภาษาระภาษามกุคลณะเหมือน ก, กันได้เคยทําร้ายพ่อแม่มาผู้นิกรรมนิเวศจะต้องจองกันไปไม่รู้กี่พ่อกีชาติแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยใช่ไหมท่นก็ใช้นิกรรมนิเวศก็เสียเหลือนิดหน่อยแค่โดนทุบทุกทุบเสเลเองนะก่อนจะตาย นั่นก็เศษบากเศษวิบากกรรมทางกายเท่านั้นทางใจเนท่านก็ไม่ทุกข์ละถือว่าหมดวิบากกันไปหมดกรรมกันไปทางทางใจนะแต่ที่เหลือทางกายต้องรับมัน เ, เรียกเศษกรรมนะกรรมมันหนักเกินไปต้องมีเศษนั้นเองนี่ก็คือหลักว่าทําไมว่าการทำวิปัสสนา จ, จึงเป็นได้บุญอย่างสูงสุดก็เพราะมันชนั่วรณีเวร น, นีิกรรมได้ทําให้หนักให้เป็นเบาที่เบาแล้วทําให้หมดไปนะเพราะฉะนั้นเวลานํามาปฏิบัติเราต้องตั้งใจทํา ตั้งใจทําแต่คนไหนมีวิบากเยอะก็หมายเขาว่ามีนิวรณกวนเยอะนะเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็งงเดี๋ยวก็เบื่อแล้วก็เซิงนี่ขเขาเรียกว่าเจ้านายเขาเจ้ากรรมนายเวทเขามาทวงเอานนะให้เราเราเราก็บอกคนไปนี่กูยังหาไม่ได้เูิ่งจะเอากูเพิงมาทวงคุณเท่าไหร่หาเงินไม่ได้เลยวันนี้แล้วก็บอกมันไปบอกนายเวตาไปขอผัดนฟอนก่อน เดี๋ยวจะหาอีสีห้าวันพอได้ก็จะให้ดอกก็ผัดฝ่อนไปนะเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> คนไหนที่มีบริษัทปัญหาเยอะก็หมายความว่ามันเราสร้างกรรมมาเยอะหละนะขาใช้วิธีทีอ่อะไรละ่ะผัดผ่อนกันไปนะเพราะฉะนั้นเองก็ให้ได้ ภูมิใจว่าเราได้มาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายเลยนะกว่าจะแวกว่ายมาเนี่ยต้องลาการล า, ารงานลาสามีลาพัญญาพ่อแม่พี่น้องคนงานไรายได้ต่างๆอุชมุษาได้บอกลากัน7วันเนี่ยหวันนี่นะเทราะฉะนั้นเวลามันสั้นแค่นี้เราก็ต้องทําให้มันได้ทุกเม็ทุกระยะเลยอย่าเสียวเวลาไปในเรื่องที่ไร้สาลานะเวลาเราออกจากที่พักปฏิบัติไปเพื่อประคับประคองต่อ แต่นั่งทำมาทั้งวันพอออกมาข้างนอกเดี๋ยวรุดหมดเลยเนี่ยโอ้โหหาไร่ทงวัดใจออกจากร้านออกจากที่ทํางานไปไซื้อเหล้ากินหมดเลยไปเล่นการพนันกลับบ้านไม่มีเงินจนเหมือนเดิมอีกโอโ้ไม่ได้ประมาทเพราะฉะนั้นออกไปก็อย่าให้ใครหลอกให้ถูกหลอกให้หลุดกันแล้วกันนะและ้วเคายุชวนเพื่อนชวนคุยไว้สัพักใหญ่โอ้ปฏิบัติมาทั้งวันหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยอันนี้ไม่คุ้มกันนะต้องระมัดระวังใครมาชวนจ่ายชวนเล่นการพนันก็อย่าไปนะ ก็เราก็จะเก็บความรู้สึกที่มีอยู่ปัจจุบันได้ชัดเจนขึ้นพอจะคอดไปเราก็ไปบริหารจัดการใช้กับการทำงานอะไรต่างชีวิตก็เบาสบายน ะ, ะโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่เคยมีละเพราะพรุ่งนี้เราจะทำอะไรร่งางเช้าทำพิชีบูชายันม <laughs> พิีบูชายันออกกําลังกายนะ แต่ไม่รู้ว่าให้ท่านเดฟโหลดจากที่หลวงพ่อสาธิตไว้ที่พุทธยุพุทธไม่รู้โหลดได้ยังนะเอาุ่งนี้เช้ามาก็ขึ้นมาท่านเดเปิดนั้นก็ฟอลโล่ตามนั้นกันเลยกันอย่าให้หลวงพ่อมาเป็นดีเจไม่ไหวนะเอาดีเจในในโปรเจคเตอร์กับฟอลโล่ตามนั้นหลวงพ่อถึงเช้า่าถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญนะที่สี่ถึงที่ห้านี่ก็ทําก่อนทําเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเรา สมมุติเราเป็นหนี้เข้ามาเป็นแสนเป็นล้านนี่นะถ้าสุขภาพมื่ดีเนะี่ยใช้หนี้เขาไม่หมดนะใช่ไหมตายไปแล้วลูกหลานมันรับรับช่วงต่อเพราะนั้นต้องรักษาร่างกายให้ดีเพื่อจะทํางานใช้หนี้หา mm hmm. เงินใช้หนี้ให้หมดด้วยก่อนก่อนที่จะตายนะอะถ้าหากว่าตายไปก่อนหนี้จะหมดมันก็ติดใส้ลูกหลานหมายครามว่าเราพบชาติของเราต่อไปก็ไม่ดีแล้วให้เราเกิดชาติต่อไปมันก็คือเป็นลูกไปหลานของเรานั่นแหละเราก็ไปรับกรรมต่อตรงนั้นนะ นั้นก็ต้องตั้งใจกันหน่อยนะในช่วงนี้ก็ปมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาสองสานาทีไปไปนอนนะก็ข อ, อมูทนาสาธุในความตั้งใจที่เกิดปัญญาเดียวสุตมยปัญญาและสุตมะยปัญญาตัวนี้ก็ทำให้เราได้เกิดพินิจพิจารณาสามารถที่จะเห็นเหตุผลเป็น ที่ต้องตามเห็นได้ว่าเออมันใช่ก็แล้วก็ลงไปทำดูก่อนนะพอทำดูมันใช่ก็ทำให้มันถูกพอถูกเร้ทีนี้มันก็ชีวิตเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละก็ขอให้ความตั้งใจที่ถูกต้องนี้เป็นพระปัจจายให้เราได้สัมผัสมรรคผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านเถอด